ถ้าแต่สงบไปแล้วมันมีอาการเพิ่มเติมลงไปมากิจบรรลลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ําลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกผวังจิตมัเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตับสระแสแห่งความ ร, ร, รู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเจอความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเอง เมื่อได้ระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชํานาญตัวิสัมปชัญญ์าของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทํทานภาพจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิกระพรอาการที่ผน ล, ลุกข้านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทําให้เราเกิดคลีติจึงทําให้กดลุกถ้าหากว่าลูกหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏ เวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหาการูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความจงจําในสิ่งต่างๆก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วเจตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นเป็ตัวสังขาร เมื่อโลกเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้ตึกว่าสังขารยังเหลืออยู่เวิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญนญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเจตจิงนั้นอยในลักษณะเวิญนญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกัรครบไม่มีถ้าหากในนณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้ จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เทียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปรียบเหมือนกับ ว, ว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทาไมมันจึงเป็นอย่างนั้น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 ภูมิจิตของตัวเองแล้วจะรู้จริงเห็นจริงไปเองบุตริาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วหน้ารลโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งๆ เ, เขาเอาเลยปัญหาต่อไปข้อหน่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติปัญญัตเข้าสู่ปรมาตร์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไร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 เช่นอย่างเราอาจจะนึกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้เิติตสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจาระสมาธิในมเมื่อเจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้จติตกสามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมารู้ในแนวที่เราได้พิจรารณามาแต่เบือ้องต้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเจตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเจตโลภก็อยู่ที่โลภอู่ลภเวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติปัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเช่นแห่นเห็นโลภเห็นโลภก็เรียกว่าโูภโลภเวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนา เห็นว่าโรคเวตาลัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติปัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้ได้เร่อยไปอย่างนี้ในเมื่อจิตกําหนดตัวตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กัจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อเจตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสะแห่งควารมรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่าง <c oughs> เมื่อเจตเิอความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปเจตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัติธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญยัตยิถ้ามองเห็นรูปสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปตากดขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างเช่น อ, อย่างเห็นร่างกายนอนตายเล่าเปื่อปุพังจิตก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้จะเห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเอง เมื่อโรคเน่าเฟย่อยปูพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่า เ, น, เนื้อเห็นหนังไม่ว่าหนังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นได้เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติใดๆตั้งต้นอันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมแห่งกลธรรม โดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวะธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้ลู้ปรากรสเห็นทักสิงที่ลูกปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าขึ้นไปสู่ภูมิแห่งกลมัดปัญหาข้อที่สองทไมมักแปลกงมีปัญญาอยู่สองอย่างครับ มาแบบในเมื่อควมเจตของผู้ดำเนินมักยังไม่ไประุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งพวกสิ่งพุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่นอย่างสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิสสิก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในมัตแปดนี่จึง 2. มีสองมีสองโดยที่ในขณะที่มัตแปดยังไม่ไปมระชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่แปดนั้นเป็นอาการของมัตเมื่อประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมพร้อมอยู่ที่สมาธิ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 อย่างนี้ก็เพียงแค่ว่าทำให้จิตสงบเพียงนี้หน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญมรรคทั้งแปดเนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้งแปดข้อนี่จะทำอย่างไรกว่าจะรวมได้ทั้งแปดข้อนี่เป็นหนึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลามากมายเลยการรวมเอามรรคแปดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาสีลให้บริสุทธิ์โดยเกตนาก่อน ระการที่สองพยายามทำความมั่นใจคือฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิระการที่ 3, ทสามทำสมาทิสติเจอความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไรเพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวัธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นคบริสุทธิ์ความตั้งใจก็มันวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์ เป็นอบายที่จะทําให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้นถ้าสติสมัมปชัญญะยังไม่มีกําลังเพียงพอสักาพระยังไม่เกิดวิริยะพระยังไม่มีสติพระยังไม่พร้อมสมาธิพระยังไม่เข้ ม, มแข็งปัญญาพระยังไม่มีกําลังที่จะรู้ลอกอยู่ที่จิต เจ็ก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึง้นในเมื่อมรรคแปดนี่รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมี่จะหนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองคำถามที่ว่าทําไมมรรคแปดปัญญาในมรรคแปดจึงมีสองก็เพราะเราไปพูดตามอาการ ในเมื่อเราทําจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยมรรคแล้วสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่งในเมื่อมันยังไม่ไประชุมพร้อมมันก็ยังแยกอาลารกันอยู่เมื่อประชุมพร้อมลงไปแล้วยังเหลืออ ย, อยู่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกาเจโนโมัคโเมื่อเอกาเจโนโมัคโกเกิดขึด้นแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิทําได้ ป, ปัญหาข้อที่สาม อย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงยานกลุณาอธิบายยานที่หนึ่งสองต่ำอันนี้ความรู้เรื่องยานความรู้เรื่องยานโดยแยกประเภทนั้นหลวงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจสนใจแต่เพียงแค่ว่า ทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเสิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องการแยกประเภทของยานต่างๆนั้นขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ถามพิจารณาเอาเองประการที่สี่ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเหล็กไหลด้วยครับ เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อาจาะมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองมองเห็นกันเนี่ยของคนนั่นถือมาว่าเหล็กไหลคนนี้ว่าเหล็กไหลอะไรทำนองนั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นโคตรเด็กไหลหรือหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหล เห็นดำชนิดนั้นเมื่อถูกน้มพึ่งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนสีลกมะแขงผูแต่เหล็กไหลที่ธามาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหลแต่เห็นอยู่ในฟันตามของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกภายหลานเขาในว่าไปเห็นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาซะ ก็ยิดออกมาออามาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุชนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาด้วยความอยากรู้จริงก็ไม้สีฟันเนี่ยไม่เขี่ยฟันนี่แย่เข้าไปพอแย่เข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอันนั้นก้อนวัตถุอันนั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไปวิ่งลึกเข้าไป ก็ไปในจนมองไม่เห็นทีนี้พอส่องไปส่องมาพอกระเขอะมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางสัมมันจบวิ่งตัดป่าอุ้งมือขึ้นมาสามข้อสอบซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุกลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางสัมแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วก็ตกลงไปเพื่อนไม้กระดานพอตกลงเพื่อนไม้กระดานก็จะคบ ตะคุบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือสามนิ้วเนี่ยถ้าเป็นวัดผูอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือเพื่อพอนวัดถูนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละพอก็ะตะคุบครับมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือขึ้นขึ้นจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพอนจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไล่ตะคุบกันลงผลจุดท้ายมันก็ กิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับเพื่อนดินเพื่อนดินนั่นก็เป็นเป็น เ, นเนพื่อนปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้ก็ตกวัตตลงไปก็เห็นมันกิ้งไป น, นิดหนึ่งแล้วก็หายวัตไปกับตานี่นี่เลตไหลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้ในไกลก็เลยหาย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 ท่านก็าก็าจะเป็นอุบายไปผูกให้ท่านติดแน่นอยู่ที่สารพระภูมินั่ น, นแหละแล้วในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดนั่นอยู่ที่สารพระภูมิถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆก็ขี่มาอยู่ตามสารพระภูมินี่เป็นวิญญาณทั้นตำ่ำคอยอาศัยกินบุญจากพมโล็ดเราผู้มีชีวิตอยู่ ถ้าเราทําบุญส่วนทานอย่างไรแล้วไปตรวจน้มอุทิต ส, ส่วนกุศลให้พระภูมิเมื่อพระภูม้ได้อานุโมทนาแล้วก็บอกพระผูมิว่าท่านจะอานุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเราก็ไม่รู้ละแต่เราทําบุญแล้วเราอูธิต ส, ส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อนุโมทนาแล้วท่านจะค้นจากฟามเป็นผีพระผูมิอาจจะไปเกิดเป็นเทวดากั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ย คนที่มีพระพุทธธรรมประมมสงค์เป็นสาระที่พึ่งที่รเราเลือกอยู่ในจิตในใจเนี่ยเราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกคนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระโภมเ พ, เพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทําใ ห, ให้ให้เสียคุณพระรักษณะไหลเป็นการแสดงความมีน้ําจิตน้ําใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่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 เป็นอย่างเราทำบนบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตามเมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่หลวงรับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราทําอุทิศให้อยู่เราทาเมื่อไหร่อุทิศให้ท่านเมื่อไหร่ท่านอารุโมชนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเอง มีปัญหาว่าการแพ่งพิจรารณาร่างกายแพ่งพิจารณากระดูกการแพ่งพิจารณากระดูกนั้นถ้าเราจะแพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กําหนดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็แพ่งจิตไปที่ตรงนั้น แล้วกําหนดพิจารณาลอกหนังออกเขื่อเนื้อออกเลือกให้ถึงกระดูกเลือ ก, กลับไปกลับมาด้วยด้วยความคิดเกดตจกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอติอติก็ได้แล้วก็ต้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูกอในปัญหาต่อไปพ อ, อปาพราเพียนถามว่าเวลานั่งสมาธิน า, นานแล้วรู้รู้สึกว่า ขาเป็นเน็ดาจะต้องเปลี่ยนอิทธิยาบทหรือไม่อันนี้ขาเป็นเน็ดขานั้นเป็นความทุกข์ของร่างกายเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตาย <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกหนดจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันพวกขเวทน า, านเกอความเจ็บปวดในขาเป็นเน็ดานั้นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้ว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 แล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบวาบขึ้นมาแล้วก็เกิดสะดุง้งอาการสะดุง้งนั้นมันเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเริงจิตทําท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุง้งอีกอย่างหนึ่งเรานั่งตรงตัวอยู่ในเมื่อเผลอสติแล้วหลังมันก็ค่อยคลอดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าพยายามทําบ่อยๆทําให้มากๆจนคํานี้ชำราญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ ปัญหานี้มีว่ามาเพ่งพิจนารณาสุขเวทนาเรื่อยๆไปจนในที่สุดไม่สราบว่าเป็นอย่างไรจิตเกิดความรู้ขึ้นมานิดเกิดความโูภขึ้นเกิดความโูภชนิดหนึ่งขึ้นในจิตความสุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความโูภของจิตที่เกิดขึ้นสุขพวกที่เราได้อยู่ แต่ดังชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่าความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วได้รับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากเกิดจากเกิดจากปีติ ที่นี้สุกที่เกิดจากปีตินี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งการจิตหมดกําลังของปีติมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตได้เมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตและเมื่อจิตมีความสุขจิตก็ค่อยต่ อ, ขอความสงบดําเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริงๆ ในเมื่อเจิตสงบลงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางกลางความเป็นกลางๆไม่มีสุขมีทุกข์และจิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอกราตตากับอุเบกขาในเมื่อเจิตบรรลุถึงความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ จิตสงบเป็นหนึ่งมีแต่แอร์อกับกตากับอุเบกขาลักษณะที่ปรากฏก็คือความบ้างของจิตจิตมันบ้างๆสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกไม่คิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกข์ยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้น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 ระงับกิเลสด้วยกำลังทานคือสมาธิเมอออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเกา่าทีนี้ถ้ า, ถ, าถ้าเราทำจิตได้อย่งางนี้แล้วเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อ ย, อ ย, อยความว่างๆนี้มันจะสะสมกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดกาลแต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความอาจจะว่างจากอารมณ์ เธอไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใส่กกระแสแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยๆว่างอีกจางหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่จิตในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจากกิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิตเพิ่งเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะ ส, สองอย่างดังที่กล่าวมา คำพอสมควรแล้วเนาะจะหมดปัญหาแล้ว